อาทิตย์ที่แล้วนะได้อ่านบทสัมภาษณ์ของพวมกับหนังไทยนะคนหนึ่งเป็นหนังที่มีคุณภาพนะไม่ใช่หนังตลาดตลาดเออชื่อหลายคนก็คงจะรู้จักนะเป็นเอกรัตนเรืองอัตอนนี้เขาก็มีหนังเรื่องใหม่ออกมาแต่ว่าที่สนใจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับหนังนะที่เขาทำคือระยะหลังเนี่ย อ่สี่ห้าปีมานี้เขาก็สนใจไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งก็เจ็ดวันสิบวันแล้วเขาก็ต้องข้อสังเกตว่าในช่วงหลังๆเนี่ยคนที่มาเข้าคอสปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวซะเยอะนะแต่ก่อนก็เป็นคนมีอายุแต่ตอนหลังนี่จะรู้ว่า เกิดจะร้อยทั้งร้อยเลยนะที่เข้าคอร์สที่เขาได้ไปเข้าคอร์สเนี่ยนะก็เป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็พอสอบถามเนี่ยหลังจากที่เสร็จคอร์สนี้ก็พบว่าหลายคนก็เป็นคนที่ทำงานอิสระแล้วก็ประสบการณ์สำเร็จในชีพอสมควรอย่างเขาเล่าว่าเนี่ยเจอผู้หญิงคนหนึ่งแค่ย7 อันที่แรกนี่เป็นข้าราชการบอกว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารสี่ร้านอาหารไทยสองร้านอาหารญี่ปุ่นสองร้านมีพนักงานอยู่ในความดูแลเพราะนี่ต้องร้อยคนก็ถามว่าคุณทํางานกับหุ้นส่วนเลยออกปลานะี่ยทำคนเดียวนะเป็นเจ้าของคนเดียวล้วนๆเลย อันนี้ก็น่าสังเกตว่าคนที่อายุไม่มากเนี่ยทำไมจึงมาเข้าคอสปฏิบัติธรรมเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนสมัยนี้ทุกเร็วนะแต่ก่อนกว่าจะทุ ก, ก็4ี่0้านะแต่เดี๋ยวนี้ไนยี่สิบกว่าก็ทุกแล้วเพอๆสิบก็ขวดก็ทุกแล้วทุกเร็วประสบความสาเร็จก็เร็วนะ แล้วก็ความทุกข์มันก็ตามมาเร็วเหมือนกันบ อ, อกคนสมัยก่อนเนี่ยนะอ่าเรียนจบก็อาจจะไปรับราชการหรือว่าไปเป็นมนุษย์เงินเดือนสัก20ปีพออายุ40กว่าก็อาจจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะแต่เดี๋ยวนี้นี่พอเรียนจบก็เป็นเจ้าของกิจการเลยหรือจะเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาด้วยซ้ำ จะเรียกว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเร็วนะลุกยึกเนี่ยนะเจนวัยเจนสัตว์แต่ก็มีความทุกข์เร็วเหมือนกันความทุกข์เร็วเพราะอะไรนะส่วนนึ่งก็จะเป็นเพราะอ า, อาชีพที่ตัวประกอบด้วยนะคือถ้าเป็นมือเงินเดือนก็จะไม่ทุกข์มากเนละแต่พอเป็นเจ้าของจัด ก, การแล้วก็ มีความเครียดมีความกังวลสูงอีกส่วนหนึ่งว่าคงจะเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยเดี๋ยวนี้เรามักจะได้ยินคนพูดบ่อยนะว่าเนี่ยสมัยนี้อยู่ยากสมัยนี้อยู่ยากขึ้นให้ความพูดนี่มันก็น่าคิดนะที่จริงยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ย มีความสะดวกสบายมากที่สุดนะมากกว่ายุคใดสมัยใดในประวัติศาสตร์มนุษย์เรานี่เฉพาะที่เป็นมนุษย์สมัยใหม่นะเพลโฮโมซาเปียนเนี่ยส 0,000 ปีที่แล้วจนจนปัจจุบันเนี่ยพวกเรานี่เป็นพวกที่มีความสะดวกสบายมากที่สุดแต่ก่อนจะไปทรมาหากินก็ต้องเดินไปไร่ไปนา ต้องใช้แรงนะไถนาปลูกต้นไม้นะทำสวนต้องหาบน้ำนะหาบน้ำกินหาบน้ำใช้จะไปไหนก็ต้องเดินนะแม้จะเป็นเจ้าเป็นนายนะอย่างอย่างดีก็ได้นั่งเกวียนหรือว่านั่งแคร่นะแหหารไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่ นั่งช้างกับโครงเพลงโครงเพลงยุคนี้เราสะดวกสบายมากอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนก็ทำมาหากินได้อยู่บ้านนะก็สามารถจะสั่งอาหารมาให้เรากินให้เราทานชอบอาหารประเทศประเภทใดประเทศใ ด, ะศใดนะก็จิ้มเอาตามใจชอบแล้วมี delivery มาส่งในแง่ของ สุขภาพก็ดีขึ้นคนที่จะหิวกดอาหารตายนี่ก็ น, น้อยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสมัยที่อาตมา ย, ยังยังเป็นหนุ่มนะเพิ่งจบใหม่ๆเนคนไทยไปโรคขาดอาหารเยอะมากเด็กตายเด็กอายุต่ำกว่าห้าปีตายนี่ปีละห้าหมนกว่าคนนะตายเพราะโรคขาดอาหารอายุต่ำกว่าห้าขวบนะ แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีใครตายเพราะขาดอาหารแล้วอาจจะพร้อมแห้งแรงน้อยบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันตายเพราะกินมากไปนะตายเพราะอ้วนโรคอ้วนจนกาลกายเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งเดี๋ยวนี้เราจะทําอะไรก็อย่างที่บอกนะไม่ต้องเดินแล้วนะมีลิฟต์มีรถ นะมีอินเทอร์เน็ตนั่นจะว่าอยู่ยากก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่มีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ถ้ามองในแง่ของความสุขนะอันนี้ก็เห็นจะจริงนะว่าคนเดนนี่มีความสุขน้อยลงสบายมากขึ้นแต่ว่าสุขน้อยลงสบายนี่เป็นเรื่องกายนะสุขนี่เป็นเรื่องใจ ถามว่าสุกน้อยลงเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปมองเห็นนะแต่ส่วนที่ไม่ดีคือยุคนี้นะไอ้ส่วนที่ดีก็มีเยอะนะสวัสดิการสวัสดิภาพความสะดกสบายแต่พอแต่การที่เราจะมองเห็นไอ้ด้านดีนะที่เราได้รับจากยุคสมัยให้เราไปมองเห็นแต่ข้อเสีย เช่นรถติดมดลภาวะต้องเข้าคิวนะจะทําแล้วก็ต้องเข้าคิวยนะัต้องแก่งแย่งกันเดี๋ยวนะี้แม้กระทั่งส่งรูปไปเรียนอนุบาลนี่ก็ต้องแย่งกันละนะแย่งกันเรียนแย่งกันสอนแย่งกันเอาใบสมัครอันนี้นก็เป็นความจริงนะแต่ว่า เป็นเพราะว่าเรานะไปมองแต่ส่วนเสียหรือเปล่าไอ้ส่วนดีที่มีเราไม่มองหรือไปคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของมุมมองอีกส่วนนึงเป็นเรื่องความคาดหวังด้วยนะเพราะธรรมดาคนเราเนี่ยนะพอเรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความคาดหวังมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้วความสุขและความทุกงคนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความคาดหวังนะคือถ้ามันสมหวังก็สุขถ้าไม่สมหวังก็ทุกข์นี่ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังสูงนะแล้วไม่ได้อย่างที่คาดหวังนะเช่นคาดหวังร้อยนะแต่ว่าได้แค่80มันก็ทุกข์แล้วละ่ะเท่านั้นที่80นี่ก็ไม่น้อยนะ คนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความคาดหวังต่ําหรืออย่าว่าแต่คนสมัยก่อนเลยนะคนจากคนตนในยุคนี้เขาก็มีความคาดหวังต่ําแำขอความคาดหวังต่ํามันก็อาจจะมีความสุขได้ง่ายเพราะว่าการสมหวังนี่มันทําได้ง่ายกว่าอย่างคนแอฟริกานี่นะเวลาเขานั่งเครื่องบินนะ ถ้าเครื่องบินเนี่ยสามารถจะแล่นลงนะสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยนะก็จะดีใจกันมากเลยตบมือเลยนะพอเครื่องบินเนี่ยสามารถที่จะแลนดิง่งนะลงรันเวย์ได้อย่างปลอดภัยเขาก็ดีใจนะแต่ถ้าเป็นคนอเมริกันนะคนยุโรปเนี่ยไอ้เครื่องนะแลนดิ่งอย่างปลอดภัยเนี่ยเขาเฉยมากเนะพราะเขาคาดหวัง อย่างอื่นมากกว่าเช่นคาดหวังว่าจะมีบริการที่ดีนะในเครื่องบินนะถ้านั่ง Business Class หรือชั้นธุรกิจแล้วปกว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มีสัญญาณไวไฟหรือสัญญาณบัญชานี่เขาหงงอิดแล้วนะคนแอฟริกานีนะ่แค่เครื่องบินล่อนนะสู่ดันเะวได้ปลอดภยัยเขาก็ดีใจแล้วนะแต่คนรวยนะ เพียงแค่ไม่มีสัญญาณไวไฟไม่มีแซนต์เน็ตหรือว่ามีแต่ว่ามันไม่เร็วพอเนี่ยก็งุดหยิดแล้วนะพราอะไรพราคาดหวังนะว่ามันต้องดีความความต่างกับคนจนคาดหวังเพียงแค่เออเดินทางปลอดภัยก็ถือว่ามีความสุขแล้วแต่ว่าคนที่ร่ารวยเขาไม่ได้คาดหวังแค่เดินทางถึงทีงหมายด้ยด้วยความปลอดภัย เ้าหวังว่าจะมีบริการที่ดีนะอาหารที่อร่อยนะมีวายบริการนะพอวายไม่อร่อยก็งดหงิดแล้วอันนี้เคยเพราะทำไมแม้คนเราเนี่ยจะร่ารวยมากขึ้นนะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะแต่ความทุกข์ใจมันไม่ได้น้อยลงเลยนะเพราะว่าไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะไปตามฐานะทางเศรษฐกิจหรือว่า ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีด้วยยิ่งสูงเท่าไหร่นะยิ่งรวยเท่าไหร่นะความคาดหวังก็สูงและบางทีมันสูงจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะตอบสนองให้กับเขาได้นะลองคิดดูนะความสุขความทุกคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังมากเลยนะนะถ้าคาดหวังน้อยนะ อย่างเช่นหวังแค่บาทเดียวหวังแค่กําไรบาทเดียวได้กําไร10บาทนี่โอ้ดีใจแล้วนะสิบาทเนี่ยนะสำหรับบางคนถือว่าน้อยนะแต่ถ้าเราคาดหวังแค่บาทเดียวเนี่ยแล้วได้10นี่ดีใจมากในทางตรงข้ามนะคาดหวัง 5,000 ล้าน นะเอาคาดหวังหมื่นล้านแต่ได้แค่ 5,000 ล้านเนี่ยนะทุกเลยนะผู้ประกอบการนธุรกิจจานวนมากไม่ใช่ไม่ได้กาไรนะได้กำไรปีหนึ่งก็บางทีก็หมื่นล้านแต่เขาทุกเพราะอะไรเพราะเขาคาดหวังมากกว่า น, นั้นคาดหวังสองมืนล้านได้แค่ได้หมืนล้านนี่ก็ถือว่าน้อย นี่ลองดูนะคนหนึ่งได้สิบบาทแต่เขาดีใจอีกคนนึงได้หมื่นล้านแต่ทุกข์นะเพราะอะไรเพราะความคาดหวังความคาดหวังนั่นลาอย่าเวลาเราได้อะไรเนะี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไม่ต้องพูดเรื่องเสียนะเอาแค่ว่าได้ใครๆก็อยากจะเจอแต่คาว่าได้เจอแต่คาว่าได้ไม่มีเสีย เขาคิดว่าถ้าได้แล้วจะสุขแต่มันก็ไม่แน่นะถ้าเขาได้แต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันน้อยกว่าที่เขาคาดหวังทุกเลยลำพันะเาางเนี่ยแค่ได้อย่างเดไม่พอนะมันต้องได้ตามที่คาดหรือได้อย่างที่หวังหรือได้มากกว่าที่หวังด้วยได้มากนะแต่มันไม่ถึงระดับที่หวังมันก็ทุกนะ เราคนเราไม่เคยได้ตระหนักตรงนี้นะไม่ได้คิดว่าไม่ได้ราลึกหรือฉเฉลียวใจว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ความคาดหวังด้วยวความทุกขของคนเราเนี่ยมันก็ผูกติดอยู่กับความคาดหวังเหมือนกันบางที้ก็แปลกนะสมมติเราให้เงินคนหนึ่งเนี่ยทีแรกให้สิบบาทต่อมาให้อีกห้าสิบแล้วต่อมาให้อีกร้อยก็จะมีความสุขมากเลย แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะทีแรกให้เขาร้นึงแล้วก็ให้เขา้า50แล้วให้เขาสิบเขาจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะทั้งที่2อคนเนี่ยได้ร้ยกเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากให้นะส0บ0้าสอเนี่ยเาจะดีใจนะแต่ถ้าเราสตาร์ทจาก1 0อยแล้วก็ 50, แล้วก็เนี่ยเาจะอาจจะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ เพราะว่าตอนที่เขาได้ร100อหนึ่งเนี่ยเขาคาดหวังว่าเขาน่าจะได้อีกร้อแต่เขาก็ได้50เนี่ยนะมันน้อยกว่าที่เขาคาดนะได้50ไม่พอครั้งต่อมานึกว่าจะได้ห้าสิบปราได้10บสอคนนี่นนได้ร้อยหกเหมือนกันนะแต่ทําไมคนหนึ่งสุขได้คนหนึ่งทุกมันไม่เกี่ยวจํานวนนะมันเกี่ยวความคาดหวังมันอยู่ที่ว่าการให้ของเราแต่ละครั้งเนี่ยไปสร้างความคาดหวังให้กับเขา นะมากน้อยแค่ไหนอันนี้พูดถึงการได้นะไม่พูดถึงการเสียนะบางทีนะเสียมากนะกลับมีความสุขนะนะเสียน้อยกลับทุกข์ก็มีนะเราเคยเมื่อเดินที่ร้านนี้ไปภูเก็ตนะแล้วก็เจอาภาพเขาก็ขับรถนะพาเที่ยว นะชมเมืองแล้วก็ได้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงนะที่เกิดขึ้นในภูเกต็ตก็ส่วนนี้คือมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวภูเก็ตเยอะมาก เ, เดี๋ยวนี้เรภูเก็ตอยู่ได้เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะแล้วก็เจ้าเจ้าบ้านนี่เขาก็เล่าเนี่ยสินค้ายอย่างที่คนจีนชอบมากเลยนะมาเนี่ยซื้อเป็นว่าเล่นเลยนะ ก็คือหมอนยางพาราหมอนยางพาราเดี๋ยวนี้เนะี่ยเราไปกรุงเทพนี่จะเห็นโรงงานแล้วก็ร้านขายหมอนยางพารานี่เยอะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่นั่งรถบัสกันเป็นคันๆ น, นะไปหาซื้อกันแล้วคนไทยที่นะั่นเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้หมอนยางพารานี่นะคนไทยจริงๆเออซื้อนี่ยเจ็ดแอแต่คนจีนซื้อเน่ยเจ็ด0ป แต่เขามีความสุขนะเขามีความสุขมากเลยที่ซื้อได้เพราะอะไรเพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยนะไอโชลูมนะที่ขายยางพาราขายหมอนยางพาราเขาตั้งราคาไว 20, <c oughs> ้สองหมื่นเขาตั้งราคาไว้สองหมื่นะก็คงเป็นเจ้าของเดียวกันกันกบที่มาขายอนะในเมืองไทยนั่นแหละเขาตั้งราคาสูงเหมือนกันไปทําไม นะเขาตั้งราคาสูงมันนั้นเพราะว่าเพื่อทำให้คนจีนเนี่ยเวลามาเมืองไทยเจอหมอนราคา7จ0 0 0ันเนี่ยโอ้โหถูกมากเลยซื้อทันทีเลยนะเพราะก็เทียบกับ 20,000 ื่นเนี่ยไอราคา 20,000 ืนที่เขาตั้งไว้ล่อตั้งไว้เอาไปเอาไปเป็นตัวเป็นมาตรฐานไอร้านพวกนี้เนี่ยเขาไม่คิดว่าจะขายหมอนในราคา 20,000 ่นนะ คือตั้งราคาไว้เนี่ยไม่มีคนซื้อหรอกแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาเห็นราคา2องหมืนที่เมืองจีนเนี่ยพอเขามาเมืองมาเมืองไทยที่ภูเก็ต7 0 0 0แโอ้โหถูกมากเลยซื้อใหญ่เลยดีใจนะดีใจแ่ทนะั้งที่7 8 0 0แพัน่ะคือแพงนะแต่สำเขาเนี่ยมันคือถูกเพราะเขาไปเปรียบกับ2 0 0ห0ื่นที่ติดราคาขายที่เมืองจีนจ่ายแพงนะแต่มีความสุขเพราะคิดว่ามันน้อยนะ แต่ถ้าจ่ายน้อยเนี่ยนะเช่นจ่ายสิบบาทนะแต่ถ้าคิดว่ามันน่าจะเป็น8บาทเนี่ยโอ้ทุกเลยนะแลเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขาก็มีวิธีการหลอกล่อแบบนี้นะให้คนเราเนี่ยนะยอมความเงินแพงๆที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีบริษัทหนึ่งนะเขาผลิตเครื่องทาขนมปัง สำหรับครัวเรือนคือนะไม่ต้องไปซื้อขอนมปังจากร้านทำเองได้นะอันนีเน้เขาก็เป็นการเก่งตลาดนะเพราะเดี๋ยวนี้คนอเมริกัน เ, นเขาชอบทำอะไรเองใช่นะใช่ว่าช่วยตัวเองทำด้วยตัวเอ ง, องเช่นเฟอร์นิเจอร์แทนที่จะไปซื้อมาสำเร็จรูป ก, ก็ซื้อมาประกอบเอง ไอ้ผู้ผลิตเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยถ้าทาเครื่องทำขนมปังเนี่ยแบบนี้เนี่ยคงจะขายดีเขาต้องราคา275ดอลลาร์แล่ก็เกือบด 8,000 บาทนะปรากฏว่าขายไม่ออกผิดคาดโอ้ยลงทุนไปเยอะเลยนะลงทุนไปเป็นร้อยล้านกะจะรวยนะแต่ว่าคนไม่ค่อยซื้อเขาก็เลย ไปจ้างที่ปรึกษามาช่วยขบคิดหน่อยว่าจะทํำยังไงดีนะที่ปรึกษาการตลาดะนะที่ปรึกษาการตลาดเนี่ยเขาเสน อ, อยังไงดู้ไหมเขาเสนอให้ผลิตนะผลิตรุ่นใหม่นะเครื่องทําขนมปังรุ่นใหม่ไม่ใช่ถูกกว่าเดิมนะให้แพงกว่าเดิมแพงกว่าเดิม 50% ก็คือเครื่องละสี่รนะใหญ่กว่าเดิมนะแล้วแพงกว่าเดิม ขายเรื่งก็4 0 0รพูดแค่นี้เราคงสงสัยว่าออมันจะขายได้เหรอไอ้ยเายังขายไม่ออกเลยแล้ว400จะขายออกได้ยังไงนะปรากฏว่าบริษัทเนี่ยเขาเชื่อนะเชื่อที่ปรึกษาเขาทำตามเลยน ะ, ะผลิตเครื่องใหม่ออกมารุ่นใหม่นะ400รอยดอลลาร์แพงกว่ารุ่นเก่าเนี่ยดอลลาร์ 50% าบปอกว่าขายดีนะ แต่ที่ขายดีไม่ใช่รุ่นใหม่นะรุ่นเก่าไอ้รุ่นที่เคยขายไม่ออกนะ275เนี่ยพอไม่มีรุ่นใหม่ออกมา400นะคนแห่ไปซื้อ275เนี่ยพราะรู้สึกว่า275เนี่ยมันถูกนะตอนที่ผลิตใหม่ๆเนี่ยตอนที่ปิดรุ่น275เนี่ยเข้าว่ามันแพงมันแพงโยโอ้ยขายเพื่อแต่ซื้อนะ275แต่พอผลิตรุ่นใหม่400 400กับ275อะไรถูกกัน ร7 5ใช่คนก็ซื้อ 2.75 เาลยไอ้ยเนี่ยขายไม่ออกหรอกแต่เขาออกมาเป็นตัวลอ่อเราผลิตเพื่อเป็นตัวล่อให้เราซื้อนะเพราะว่าพอคนเห็น400ก็รู้สึกว่าร7 5มันถูกซื้อเลยนะนะนี่วิธีการลวมกระเป๋าจากผู้คนเ็าใช้วิธีนี้เขาอาศัยการสร้างความคาดหวังหรือการเปรียบเทียบ ได้เป็นเพราะว่าเราเนี่ยเปรียบเทียบไม่เป็นนะหรือว่าเป็นเพราะเราชอบเปรียบเทียบแบบนี้แหละนะเราจึงไม่เพียงแต่เสียเงินนะไปโดยใช่เหตุมากมายแต่บางทีเราเสียความสุขด้วยนะไอ้เงินนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่คนเราเนี่ยเสียความสุขเพราะความเปรียบเทียบเราได้อะไรมานะแทนที่เราจะดีใจนะเรากลับเสียใจเมื่อเราเห็นคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเมื่ยอาจจะเป็นได้โบนัสมากกว่าเรานะ ได้รางวัลมากกว่าเราหรือว่าได้ของแถมมากกว่าเรานั้นหมายถึในหมู่นอกปฏิบัติธรรมนะก็ทุกข์เพราะเหตุนี้มากนะเพราะการเปรียบเทียบท่านังที่ได้โชคได้ลาบนะแต่ว่ากลับทุกข์ก็พราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่เราได้เนี่ยมันต่ําต้อยนะอาจารยเคยไปบรรยายที่หอจดหมายเหตุนะสวนมอบกรุงเทพเนี่ย ตอนนั้นคนฟังก็เยอะเหมือนกันนะร้อยเกือบสองร้อยแต่ว่านัหนังสือจตมาเตรียมมาไม่พอก็เลยบอกผู้ผู้ฟังว่าเนี่ยหนังสือมันไม่พอนะบางคนก็อาจจะไม่ได้นะแล้วต่อมาก็เอาหยิบหนังสือพอแรกขึ้นมามันก็ประมาณขนาดนิ้วมือนี่แหละนะ <c oughs> ก็มีคนรีบมาเข้าคิวรับ คนที่ได้เขาก็ดีใจนะเพราะว่ามันมีจํากัดพอหมดหอแรกอาตมาก็หอสองมาคนนี้หนังสือเล่มใหญ่กว่เดิมคนก็คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเ้าก็ดีใจนะโอเข้าได้หนังสือพอแจกเสร็จคนที่ได้หอแรกเนี่ยหลายคนนี่เขาเสียใจนะ mm hmm. เขามาตมาขอเปลี่ยนได้ไมั mm ้ย hmm. ขอเปลี่ยนเอาเล่มใหญ่ mm hmm. ยังจะไม่ทันอ่านเลยนะ รู้ได้ไงว่าไอ้เล่มใหญ่มันดีกว่าเล่มเล็กนะน่าแปลกนะเขาเสียใจมากเลยนะตอนแรกเขาดีใจดีใจเพราะอะไรเพราะว่าฉันได้นะคนอื่นอาจจะไม่ได้แต่พอรู้ว่าฉันได้ก็จริงแต่คนอื่นก็ได้เล่มใหญ่กว่าเสียใจเลยนักปฏิบัติธรรมนะสนใจธรรมะนะแต่ทังทางเตี๋ยตา ม, มาพูดก่อนนะนั้นก็พูดเรื่องการเปรียบเทียบนี่แหละว่าคนเราเนี่ยทูกเพราะการเปรียบเทียบ ทู่เพาความคาดหวังนะแต่ว่าพูดไปเขาก็เห็นด้วยนะแต่ว่าไม่ใฉลียวใจนะพอมีของมาล่อที่จริงไม่ใช่ตั้งใจจะล่อนะมั น, เ ป, นเป็นเจตนาดีที่จะมาแจกถ้าจะมาเริ่มต้นจากการแจกเล่มใหญ่ก่อนแล้วค่อยตามไปเล่มเล็กคงจะไม่ค่อยมีปัญหานะนะคนที่ได้เล่มใหญ่เขาก็ดีใจ ก็ไม่อิจฉาคนที่ได้ทีหลังเพราะว่าเล่มเล็กกว่านี่ถ้าเขาถ้าามองเป็นนะเขาจะมองโอ้เนี่ยฉันได้เล่มเล็กก็จริงนะแต่ว่าโชคดีนะโชคดีเพราะคนหนึ่งเขาไม่ได้นี่คือเปรียบ ก, กับคนที่ไม่ได้แต่พอไปเปรียบเทียบกับคนที่ได้เล่มใหญ่กว่าทุกเลยฉะั้นถึงบอกว่าแม้คนเราจะได้นะจะได้สิ่งที่พึงปรารถนาเนี่ยแต่ถ้ารู้สึกว่าได้น้อยนะทุกเลย คนเราเนี่ยจิ้ไม่ใช่ว่าเป็นสุพเพได้งเดียวนะมันต้องได้มากกว่าด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าได้น้อยกว่านี้ก็ถือว่ามันไม่เป็นธรรมเป็นทุกข์มันมีความคิดแบบนั้นเมื่อสักสาปสิบปีก็มีการทดลองนะแล้วก็ทำเป็นคลิปวิดีโอเขาทดลองกับหนู2ตัวนะหนูนี่มันก็เชื่องพอสมควรนะไอ้เปีนหนูลิงลิงในกรงซ้าย เขาเริ่มต้นที่ลิงในกรงซ้ายก่อนเขาก็ให้มันทำภารกิจ ก, ก็คือใหอ้ใส่หินลงไปในในในกรงหน้าที่ของลิงก็คือหยิบหินเนี่ยมาคืนผู้ทดลองถ้ามาคืนเขาก็จะให้รางวัลไอ้ลิงตัวแรกเนี่ยอยู่ซ้ายมือเนี่ยพอมันคืนหินเขานะเขาก็ให้แตงกว่า มันก็รับไปด้วยความดีใจคราวนี้ลิงตัวที่สองอยู่ขวามือก็ให้ทําภารกิจเดียวกันคือให้หินใส่หินไปในกรงลิงก็เอาหินเนี่ยคืนพอคืนมาก็ได้รางวัลแต่รางวัลทนที่จะเป็นเป็นแตงกวากลับเป็นองุ่นองุ่นเนี่ยมันอร่อยกว่าแตงกวาลิงมันรู้อ่าคราวนี้กลับไปใหม่นะกลับไปที่ลิงตัวแรกเราอยู่กรงซ้ายมือ กรงนี่มันเป็นกรงกระจกนะกรงพลาสติกมันเห็นกันหมดอนะว่าใครทาอะไรใครได้อะไรก็ให้ทําภารกิจเดิมคือเอาหินใายลงไปในกรงหน้าที่ของริงก็คือคืนหินมาให้คนแล้วคนก็ให้รางวัลก็ให้รางวัลเหมือนเดิมนะคือให้แตงกวามารับแตงกวาไปนะมันกินสักพักมันไม่พอใจมาเอาแตงกวาคว้างเลยนะคว้างใสยคนเลย มันไม่พอใจเพราะอะไรไม่พอใจเพราะอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันได้องุ่นนะคนก็ไม่สนใจนะคนก็ทําเหมือนเดิมนะไอ้ลิงตัวที่สองหรือลิงขวามือเขาก็ให้ทําภารกิจพอมันคืนหินให้เขาเขาก็ให้ให้องุ่นมันมันก็แฮปปี้เหมกลับมาที่ลิงตัวแรกทําเหมือนเดิมนะให้แต่งกวา มันเอาแตงกวาคว้างอย่แล้วมันขย่าตรงโกรดมากเลยตอนที่มันได้แตงกวาครั้งแรกมันมีความสุขนะมันมีความสุขที่มันได้รางวัลแต่พอมันเห็นตัวที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันได้องุ่นนะถ้าถ้ามองแบบมนุษย์นะคือมันไม่พอใจเพราะสวนไม่เป็นธรรมทําไมทํางานอย่างเดียวกันฉันได้แตงกวาแต่อีกตัวได้องุ่นอย่างนี้ไม่ยุติธรรม แต่ต่อมาก็ไม่แน่ใจว่ามันคิดแบบนี้จริงหรือเปล่านะมันจะเป็นความอิจฉาก็ได้อิจฉาที่ว่าตัวอื่นเนี่ยนะได้องุ่นแต่ว่ากูัวนี่ได้แต่งกวานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พอใจถามว่าริงทำแบบนี้นะไอ้ลิงตัวแรกเนี่ยที่มันคว้างแต่งกวาเนี่ยมันฉลาดหรือมันโง่นะมันคว้างแล้วมันได้อะไรนะมันคว้างแต่งกอแล้วมันได้อะไร แทนที่มันจะแทนที่มันจะกินแตงกวาว่าเออไหนๆได้แตงกวาไหมแล้วก็กินสักหน่อยแต่ก็มันกับขว้างเพราะความโกรธโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะได้น้อยกว่าถ้าพูดแบบนั้นก็คือมันไม่รับความเป็นธรรมแต่จะบอกว่ามันรับความเป็นธรรมก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดมันได้มากแต่ตัวอืนได้น้อยเนี่ยมันพอใจมันมาพอใจนะ ถ้ามันได้นะได้สองแต่อีกตัวได้หนึ่งเนี่ยมันทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์ถามว่านี่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมนะตัวหนึ่งได้หนึ่งแต่ฉันได้สองเนี่ยเป็นธรรมะไหมเป็นธรรมแต่มันไม่โกรธมันไม่โมโหแนละ้วมันจะโมโหก็ต่อเมื่อกูได้หนึ่งแต่คนอื่นได้สองหรือว่ากูได้แตงกวาแต่อีกตัวได้แต้อังมุนคนเราก็เป็นแบบนี้นะไอ้เรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นอ่า นิสัยใจของคนได้ไม่น้อยนะคือเราเนี่ยนะต้องการได้เท่าคนอื่นอย่างได้น้อยนะแต่ถ้าได้มากกว่าคนอื่นยิ่งดีถ้าได้น้อยอคนอื่นนะนะก็จะไม่พอใจแล้วความไม่พอใจบางทีมันถึงขั้นลืมตัวนะไอ้ที่ได้มาทิ้งไปเลยนะอันนี้ก็เป็นความโง่ของคนนะเราออจะไม่ทิ้งนะ อาจจะไม่ทิ้งของแต่เราจะทุกข์ทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มามันน้อยกว่าคนอื่น <c oughs> เพราะนั้นคุณเจา้าเนี่ยจึงสอนให้เราเนี่ยให้กลับมารู้จักพ อ, อยินพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แม้เราจะได้น้อยกว่าคนอื่นแต่กาควรดีใจที่เราได้ไม่ใช่ทิ้งมันเพราะการทิ้งเนี่ยนะมันเป็นการ ทำลายตัวเองเราจะไม่ทิ้งแต่ว่าเราทุกข์อันนี้ก็ซ้ําเติมตัวเหมือนกันแม้แต่ถ้าเราพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เนี่ยเราได้น้อยคนหนึ่งเราก็มีความสุขนะมนุษย์เราเนี่ยควรจะฉลาดกว่าลิงนะหือเราเนี่ยควรจะมองเออเราได้น้อยเราได้แตงกว่านะแต่ว่าแตงความก็อร่อยอกันนะหรืออย่างน้อยเนี่ยนะก็มีเมตตาหรือมุติตาเออ เขาได้มากกว่าเรานะเขาได้องุ่นนะเขาได้โบนัสมากกว่าเราก็มีบุติตาจิตนะเพราะว่าเขาอาจจะต้องการเงินนะหรือต้องการสิ่งนั้นมากกว่าเราโน้ตเรามีความสามารถในการเจริญมุติตาจิตได้เรียกอาจจะทำงั้นไม่เป็นนะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าคือที่อยจะทําทได้แต่คนเรานี่มีความสามารถในการจะเจริญ ม, มุติตาจิตใครใครก็ได้มากกว่าเราใครก็ ได้หนังสือเล่มใหญ่กับเราแล้วก็อนุโมทนานมูลีผู้ทิฏฐิจิตให้เราก็เป็นสุขนะในสิ่งที่เราได้มาเรากไ็ไม่ทิ้งเอามาใช้ประโยชน์ได้ <S <S นี่มันมันเชื่อมโยงกับความคาดหวังด้วยนะนะถ้าเราฉลาดเนี่ยเราก็จะพบว่ามันไม่สําคัญแล้วว่าเราได้อะไรมามันอยู่ที่ว่าความคาดหวัง ได้มากนะแต่ถ้าคาดหวังมากกว่าทุกได้น้อยแต่คาดหวังมากกว่าที่ได้มันก็สุขนะได้1ินะแต่คาดหวังเก้า อ, อันนี้ดีใจสุขนะได้หมื่นล้านแต่คาดหวังสองหมื่นล้านนี่ทุกเลยถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะาบางคนเนี่ยถูกรัตเตอรี่สองตัวดีใจ นะแต่พอเห็นเพื่อนเขาถูกลอตเตอรี่3ตัวเสียใจเลยนะบางคนถูกลอตเตอรี่รวัลที่หนึ่งนะดีใจนะแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาได้เขาถูก2ใบนะเราเสียใจเลยนะไอเราถูกใบเดียวเขาถูกสองใบโอ้โหเสียใจกูน่าจะซื้อมากกว่านี้นะอะไรเงี้ยนะเน้นคิดดูดีดนะไอการที่เราได้เนี่ยมันไม่แปลว่ามันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะมีความสุขเหมือนเสมอไปถ้ามันได้นะ้อกว่าที่คาดหวังเราทุกเลย หรือถ้าคนหนเขาได้มากกว่าเราเราก็ทุกข์งั้นกลับมาดูใจของเราลกลับมาปรับใจของเราให้ดีนะซึ่งต้องอาศัยสติเลยเพราะ ม, มีสตินี่นะมันคาดหวังแบบเรียกว่าตระลอดเปิดเปิเปงเดิไม่รู้ตัวแล้วก็เกิดทุกข์นะไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนกลับมาดูว่าปัญหาที่ความคาดหวังของเราหรือเปล่าที่การเปรียบเทียบ ข, ของเราหรือเปล่าหรือพวกเราคือปัญหาที่การวางใจของเราเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะ ถ้าเราวางใจผิดแม้จะได้โชคราบก็ทุกข์นะเอาคำนี้มาพูดทันที